พิสารน้ำเนี่ยก็มักจะมีปลามีเตา่ามาป้วนเปียนพวกนี้ก็มาหากินตามธรรมชาติของมันแต่ว่าสังเกตดูมันก็ไม่ค่อยจะกลัวคนเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ที่จริงก็ไม่ได้เลี้ยงมาเลยนะไม่เหมือนปลาตรงแถวสะพานเนี่ยไอ้พวกนี้เช่นพวกช่อนปลาดุกพวกนี่มันคุ้นคนเพราะว่าคนให้อาหารมันพอมาเห็นคนมันก็นึกถึงอาหาร แต่ว่าตรงส่วนอื่นนะของสะเนี่ยเช่นที่แถวสาราน้าเนี่ยไม่ได้ให้อาหารมันแต่มันก็คุ้นกับคนไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่ไม่ถึงว่าไม่กลัวนะไม่ถึงกับไม่กลัวก็ถ้าคนก็ไปใกล้ๆนะมันก็ค่อยๆดำน้ำนะหายไปแต่ก็ทำอย่างช้าๆนะไม่ได้ผลพลันเท่าไหร่อันนี้ก็คงเป็นเพราะว่า คนที่นี่นะไม่ว่าพระไม่ว่าแม่ชีไม่ว่ า, วานะโยมก็ไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายกับมันแต่ว่าปลาพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกิดหลุดไปนะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเช่นเวลาน้าท่วมแล้วมันก็หลุดไปออกจากสระเนี่ยแม้มันจะไปเจอสระใหม่หรือเจอแหล่งน้ำใหม่เนี่ยก็อาจจะตายได้ง่าย เพราะว่ามันไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่แต่ว่าคนที่วัดนะกับคนข้างนอก น, นี่ไม่เหมือนกันมันทําให้นึกถึงสมัยก่อนที่นี่เนี่ยตั้งสามสิบกว่าปีที่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่มากมายหลายชนิดหมูป่าก็มีนะกวางก็ยังมีพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่นี่มันก็ไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่ ก็ระวังอยู่บ้างไม่ยอมไม่คนเข้าใกล้นะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยอตื่นตระหนกเวลาเจอคนยิ่งสัตว์ป่าที่ถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะบางทีมันไม่มีแม่เนะี่ยหลวงพ่อบุญธรรมนะท่านก็เลี้ยงดูมันไม่ได้เลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงนะแต่ก็ให้อาหารมันมันก็คุ้นคนเช่นหมูป่าเนี่ย เวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมามันมีช่วงเนี่ยช่วงหน้าแรงเนี่ยพอเกิดไฟไหม้ไอ้สาวพวกนี้เนี่ยมันก็แตกตื่นก็หนีออกไปจากวัดสมัยนั้นยังไม่มีกำแพงแล้วพวกนี้พอหนี อ, อไปจากวัดเนี่ยกลับมาไม่ได้หลงทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานนะเจอคนมันก็นึกว่าคนนี้ไม่มีอันตรายเพราะมันใช้ประสบการณ์เดิม คนที่วัดพระที่วัดไม่ได้เป็นอันตรายกับมันเป็นมิรกับมันแต่ว่าคนข้างนอก น, นี่ไม่ได้เป็นมิรกับมันด้วยในความที่มันไม่ระแวดระวังคนเนี่ยมันก็เลยถูกยิงถูกจับได้ง่ายๆแล้วก็ตายในที่สุดในการที่อยู่สบายๆนะในในวัดเนี่ยไม่มีภัยมาคุกคามมีคนแวดล้อมที่เป็นมิร มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือว่ามันไม่ต้องหวาดกลัวอะไรก็อยู่ได้อย่างสงบสุขแต่ข้อเสียคือว่าทำให้มันประมาทได้ง่ายทำให้มันไม่มีวิชานะเรียกว่าไม่มีไม่มีความระแวดระวังเพียงพอที่จะรับมือกับคนที่มุ่งร้ายกับมันอันนี้จะว่าไปก็ไม่ต่างจาก พวกเรานะพวกเราที่อยู่ในวัดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพระไม่่จะเป็นแม่ชีเป็นโยมการที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะที่สงบสงัดพอสมควรไม่มีสิ่งมากระตุ้นมาเย่อหยุให้เกิดความหงุดหงิดําคาญกิจวัตรการงานก็ไม่ได้เร่งรีบหรือว่าวุ่นวาย มันก็เอื้อนะให้ใจเราสงบความทุกข์ที่พกพามาจากบ้านนะก็สามารถจะปล่อยวางมันลงได้ง่ายๆยิย่งมาได้เรียนรู้วิชานะเจริญสติก็ทำให้เราสามารถจ ะ, ะมีความสงบภายในมีความรู้สึกตัวนะไม่หลงนะไปด้วยอำนาจของสิ่งเราภายนอกแต่ว่า การที่เราคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่มันสบายๆในวัดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สบายทางกายเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ให้ความสงบทางใจได้มากเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะจะประมาทเพราะว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกวัดเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับสภาพในวัดนะนเต็มไปด้วยความวุ่นวาย มีสิ่งเรากระตุ้นให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นมีทั้งยั่วยวนให้อยากมีทั้งยั่วยุให้ขัดเคืองใจไม่พอใจรูปรถกินเสียงภายในวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกับรูปรถกินเสียงนอกวัดนะไม่ต่างจากคนในวัดกับคนนอกวัดเนี่ยคนในวัดกับคนในวัดก็แตก็แตกต่างกันสําหรับพวกสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปลานก หรือว่าสมัยก่อนกอ็หมูป่ากวางสาัตว์ที่มันคุ้นเคยคนในวัดนะพอมันออกไปนอกวัดมันก็ถึงคาดได้ไวนะเพราะว่ามันประมาทนะประมาทคนข้างนอกเนื่องจากมันคุ้นเคยนะกับคนในวัดนะจนกระทั่งนะไม่มีความระแวดระวังเพียงพอไออารมณ์นะ อารมณ์ที่หมายถึงรูปและกินเสียงนะภายในวัดกับสิ่งที่อยู่นอกวัดก็เหมือนกันนะรูปและกินเสียงภายในวัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดุนะไม่ค่อยหยาบหรือว่าเสียดแทงจิตใจเราเท่าไหร่ในะที่จริงมันกลับช่วยกล่อมเกลานะให้เราสงบได้ง่ายในการที่เร า, เาคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เนี่ยนะ มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะพอเราออกไปเจอกับสิ่งแวล้อมภายนอกเจอลูปรดกลิกก่นเสียงที่ร้อนแรงยุยยุกนะก็อาจจะพลาดท่าเสียทีได้ง่ายๆจิตใจกระเพื่อมปั่นป่วนนะกิเลส ก, ก็เข้ามาเล่นงานได้ง่ายนะมารร้ายนะก็สามารถจะครองใจเราซึ่งก็ทำให้เราทุกข์นะ เราทุกคนนี่ไม่พอก็ไประบายความทุกข์ใส่คนอื่นด้วยอย่าอีกไม่นานเนี่ยนะพวกเราหลายคนโดยเพราะพระเนี่ยก็จะศึกหาหลาแพาะยอไปอันนี้ก็ต้องอก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจด้วยมันเหมือนกับปลานะีที่อยู่สบายๆนะในสระน้ําในวัดเนี่ยพอจะต้องออกไปอยู่ข้างนอกนี่มันไม่มันจะไม่สบายเหมือนเหมือนที่นี่นะ จะเรียกว่าหมู่มาเนี่ยหรือกิเลสคอยในยจ้องเล่นงานนะจ้องจับจิตใจของเราเนะเอามาเป็นธาตุก็ไม่ถึงกับอ่าฆ่าให้ตายเหมือนกับคนภายนอกที่จับปลาในวัดได้หรือว่าจับหมูป่ากวางาที่ออกจากวัดไปได้มาไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ทำให้ใหกิเลสสมารหรืออ่า มารร้ายเนี่ยนั่นก็สามารถจะเล่นงานเราได้เนี่ยอย่างเต็มที่นะเพราะว่าความที่เราคุ้นเคยนะกับความสบายสๆนะสภาพที่ไม่ใช่สิ่งเราที่เป็นโทษเป็นอันตรายเป็นศัตรูอันก็ต้องเตรียมเอาไว้นะต้องเตรียมตัวไว้นะในการที่เราเตรียมตั ว, วก็ต้องมีวิชานะการเจลสติที่เราฝึกมาในวัด น, นี่ก็เป็นวิชาที่ช่วยได้เยอะนะ แต่ว่ามีวิชาแล้วก็ต้องมีแบบฝึกหัดเราเรียนหนังสือแล้วเราไม่มีการสอบนะก็เหมือนกับนักกีฬาเช่นนักมวยนะไม่มีการซ้อมอาจจะซ้อมคนเดียวเช่นซ้อมชกลมซ้อมเตะกระสอบแต่ว่าไม่เคยได้เจอหรือไม่เคยเจ อ, อคู่ชกที่เป็นคู่ซ้อมเลยไม่เคยขึ้นเวทีซ้อมเลยเนี่ย มันก็ไม่มีทางที่จะมีความรู้ความสามารถหรือมีวิชาได้อย่างแท้จริงจริงจริงอยู่เนี่ยนะการที่เราใช้ชีวิตในวัดเนี่ยนะมันก็มีแบบฝึกหัดมากมายนะที่จะฝึกสติของเรานะเช่นคำพูดที่ไม่ถูกใจนะของใครบางคนหรือว่าการที่มีเหตุให้กระทบกระทั่ง มีเรื่องขัดแย้งกันซึ่งก็มันก็มีสถานที่หรือมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องขัดแย้งกันได้เยอะนะยิ่งคนที่ทำงานนะอย่างเช่นแม่ชีที่ทำงานในครัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้มากพอกระทบแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดความขัดเคืองใจถึงขั้นมีความโกรธเกลียดกันนะ ไม่มองหน้าไปพูดคุยนยก็ถือว่าสอบตกนะแล้วถ้าสอบตกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็ยิ่งแย่เขาไปใหญ่เพราะข้างนอกเนี่ยนะไอสิ่งที่จะมาเล่นงานเรานะมารุนแรงมันหนักหนากว่าที่นี่เยอะนะแล้วถ้าสอบตกแบบนี้แล้วเนี่ยไปเจออะไรหนักหนักนะมันก็ไม่สามารถจะผ่านได้ เช่นถ้าทำใจไม่ได้กับคำพูดนะที่มากระทบหูเวลาเจอความเจ็บปวดนะที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเจอทุกขเวทนาเพราะความเพราะโรคร้ายนะนะเดี๋ยวนี้โรคมก็มีเยอะนะหน่ยพราะมะเร็งเนี่ยนะโรคหัวใจเอามาพึ่งเอามาพาดแล้วจะผ่านมาไปได้ยังไงนะแต่ถึงแม้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะนะก็ต้องตระหนักว่าข้างนอกเนี่ย มันมีสิ่งที่ร้ายแรงกว่าเยอะนะอารมณ์ที่มันเป็นศัตรูกับเราเนี่ยมันมีมากมายกว่าอารมณ์ที่อยู่ในวัดนะคำว่าอารมณ์นี่หมายถึงรูปร่ากินเสียงนะสัมผัสนะข้างนอกนี่มันมันดุร้ายหรือว่ามันเป็นอันตรายนะกับเราเนี่ยมากกว่าที่นี่เยอะนั่นก็ต้องถือว่าไอ สิ่งที่มากระทบกับเราที่นี่เนี่ยมันเป็นแบบฝึกหัดนะเจอแล้วนี่ยไปอย่าไปหงุดหงิดลําคานี่ถือว่ามันเป็นบทเรียนมันเป็นการบ้านเพื่อที่เราจะได้มีความว่องไวมีทักษะมีวิชาแก่กล้ามาขึ้นเมื่อจะต้องออกไปข้างนอกโดยเพพาะคนที่จะสืหาราเพกไปเนี่ยนะก็ะต้องออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ย ปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาบวชอีกเลยถึงแม้จะมีบางช่วงกลับมาที่วัดมันก็แค่ช่วงครั้งช่วคราวเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมีเรื่องขัดอกขัดใจอะไรนะก็ถือว่าต้องผ่านไปให้ได้ต้องวางให้มันวางให้เร็วนะไม่มา ทำไม่เกิดความขุนเคืองใจจะเป็นการกระทบกระทั่งระหว่างบุคคลนะก็สามารถจะกลับมาเป็นมิตรพูดคุยกันได้มีไมตรีจิตมีเมตตาต่อ ก, กันหรือคนที่อยู่ว่าแบบสบายๆก็ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแว่งกับใครนะอ่าอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าก็อย่าประมาทนะเพราะว่าการที่เราไม่มีอะไรมากระทบนะมาไม่ได้แปลว่าออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยเราจะสบายนะ มันอาจจะกลายเป็นเป็นข้อเสียก็ได้นะเพราะว่าพอเราไม่มีการบ้านพอเราไม่ได้ทำการบ้านบ่อยๆที่วัดเนี่ยพราะไม่มีอารมณ์ที่มากระทบทาให้ขัดเคืองใจเราก็จะไม่ไม่ไม่ไม่ว่องไวเวลาเจออารมณ์แรงๆมากระทบเมื่ออยู่ข้างนอกเนี่ยก็อาจจะพลาดท่าเสียทีได้ยิ่งคนที่ไม่เจออะไรเลยนะเรียกว่าเจอแต่ความเจอแต่สิ่งที่ราบเรื่นนะ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังมันอาจจะเป็นอันตรายได้ที่ประเทศไม่มีเกาะเกาะหนึ่งนะที่ทวีอเมริกาใต้ชื่อเกาะกราปากสกราปากสนี่เป็นเกาะที่มีชื่อมากนะมันมีชื่อเพราะว่าเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยชาวดาวินเนี่ยสมัยที่เขายังหนุ่มเนี่ยเขาก็แล่นเรือไปแล้วก็แวะที่เกาะนี้มนเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งมากทีเดียว กาะ น, นี้เนี่ยไม่เคยมีมนุษย์ไปเหยียบย่างเลยมันมีแต่สัตว์นาน า, นาชนิดแล้วก็สัตว์บางชนิดก็ตัวใหญ่นะเช่นเต่าเนี่ยนะคนนี่ขึ้นไปนั่งหลังมันได้สบายเลยแล้วมันก็ยอมให้คนเนี่ยนั่งขี่หลังมันไปสัตว์ในเกาะ น, นี้เนี่ยนะเนื่องจากไม่เคยเจอคนเลยเนี่ยพอชาวดาวินกับเพื่อนเนี่ยมาถึงเกาะเนี่ย สัตว์มันไม่กลัวเลยนะมันไม่ตื่นตกใจเลยจะเป็นนกจะเป็นจะเป็นเก้งไม่รู้มีเก้งหรอวะนะนกหรือว่าพวกสัตว์นานาชนิดเนี่ยทั้งสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันไม่กลัวคนเลยอย่างชาวดาวิ้เล่าว่าเนี่ยจิงจอกเนี่ยซึ่งธรรมชาตินี่มันระแวดระวังคนมากมันยอมให้คน เ, นเดินเข้าไป ใ, ใกล้ คนเดินไปข้างหลังมันก็เฉยนะขนาดคนเนี่ยสามารถจะเอาไม้เนี่ยเคาะหัวมันได้ฟาดหัวมันจนตายเลยนะนะมันก็ยอมไม่ทำนะเพราะมันมันไม่มีความกลัวคนนะที่มันไม่กลัวคนเพราะมันไม่เคยเจอคนมาก่อนแล้วมันก็เลยไม่รู้คนเนี่ยน่ากลัวยังไงบ้างสัตว์อีกหลายชนิดก็โดนคนเนี่ยที่มากับคณะของชาวดาวินเนี่ยนะจับไป ไปฆ่าเป็นอาหารมัง่งหรือไปไปเก็บเพื่อการศึกษาค้นควา้ามั่งมันยอมไม่จับเฉยเลยเพราะมันไม่เคยเจอคนในการที่มันไม่การที่มันไม่เคยเจอคนเนี่ยนะมันก็เป็นข้อดีคือทำให้มันปลอดภัยแต่ข้อเสียคือพอมันเจอคนเมื่อไหร่เนี่ยมันถึงฆาาได้เร็วมากอันนี้ก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ทำไมนะสัตว์ใหญ่ในทวีอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยนะมันสูญพันธุ์เร็ว เพราะว่าตอนที่มันมีการแยกออกมาเป็นทวีตอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยมันไม่มีคนมาอยู่เลยนะมันมีแต่สัตว์ล้วนๆอยู่กันเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยมันมีแต่สัตว์ไม่มีคนคนเพิ่งอพยพโยกย้ายไปอยู่ทวีตที่ว่าเนี่ยก็สักห้าหมื่นหกหมื่นปีนี่มั้งเนื่องจากมันไม่เคยเจอคนเลยนะพอมันเจอคนมันก็เฉย แต่คนนี่น่ากลัวมากนะมีมีห อ, อกมีธนูก็สามารถจะโค่นฆ่าพวกช้างพวกม้าตัวใหญ่ๆอาจจะไม่ใช่มา้าแต่ว่าเป็นคล้ายๆพวกเดียวกันนะั่นนะม้าจริงๆไม่มีหรอกมันมาจากยุโรปไอ้พวกสายใหญ่นี่ก็ตายกันไปเยอะจนศูนย์พันไปเลยหลายชนิดเพราะไม่เคยเจอคน ตรงข้ามกับทวีแอฟริกาเนี่ยซึ่งเจอคนมาเป็นล้านปีนะไอสัตว์อ น, นาชนิดที่มันอยู่ในทวีแอฟริกาเนี่ยไม่ค่อยสูญพันธ์เท่าไหร่หรอกเพราะว่าท่าหน้าที่อยู่คนมานานคนอยู่ที่แอฟริกาคนถือกําเนิดที่ทวีแอฟริกามาตั้งแต่เมื่อล้านปีที่แล้วทำไมมันอยู่รอดได้ทั้งที่คนก็อยู่กับมันมาต้องนานก็เพราะมันเจอคนนั่นแหละมันก็จึงรู้ว่าคนเนี่ยต้องแวดระแวดระวังมันมีประสบการณ์มันอยู่กับคน มารู้ทางว่าคนนี้จะมาอย่างไรงจนกระทั่งเกิดความฉลาดไม่ว่าจะเป็นเก่งกวางพวกนี้เนี่ยมันไม่อยอมไปคนเข้าใกล้นะมันเรยรู้กลิ่นของคนว่าคนเนี่มีกลิ่นอย่างไรพอมีกลิ่นนี้นี่มันก็ต้องหนีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่สูญพันธนะอันนี้ก็เอามาเอามามองได้นะเอามาเทียบได้กับประสบการณ์ชีวของเรานะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่เจอ ความทุกข์ยากลำบากเลยนะไม่เจอ อ, อุปสรรคอะไรใดๆเลยเนี่ยมันก็ดีอย่างนะคือว่าไม่มีเรื่องเดือดเนื้อลอนใจแต่ถ้าเกิดว่าเจอเมื่อไหร่เนี่ยนะก็พลาดท่าเสียธีหรือว่าเสียสูญได้ง่ายๆเลยนะอย่างคนเนี่ยในบางในบางทวีปเนี่ ย, ยเช่นที่อเมริกาใต้เนี่ยไม่เคยเจอโรคหวัดเลย ไม่เคยเจอโลกหวัดเลยนะพอคนยุโรป อ, อพยพเรียกว่าไม่ใช่ อ, อพยพนะสำรวจดินแดนแล้วก็มาเจอมาพบปะกับคนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยก็เอาเชื้อหวัดเนี่ยมาให้กับคนเหล่านี้ไอ้คนเหล่านี้ไม่เคยเจอเชื้อหวัดเลยเลยไม่มีภูมิคุ้มกันพอีภูมีคุ้มกันก็เป็นไงตายกันลในละนาเลยคนยุโรปเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเนี่ย เพราะว่าอยู่กบับวัฒมานานให้การที่คนเราเนี่ยนะจะอยู่รอดได้ดีเนี่ยนะมันต้องจะอุปสรรคเจอความยากลาบากนะเช่นได้เจอเชื้อจอเชื้อโรคอยู่บ่อยๆเจอเชื้อโรคหลายชนิดนะจนกระทั่งมีภูมิคุ้มกันเด็กๆนี่ก็ตั้งแต่เล็กก็เล่นกับดินกับทรายนะว่ายน้ําก็กินน้าน้ําคลองเข้าไปไอ้พวกนี้ดีนะมันทําให้ มีภูมิคุ้มกันในร่างกายนะพอไปเจอเชื้อแปลกๆใหม่ๆเข้าหรือเชื้อที่แรงกว่าเดิมเนี่ยภูมิคุ้มกันก็เอาอยู่เพราะว่าเคยเจอมาก่อนรู้ทางนะรู้นิสยัยรู้ธรรมชาติของไอ้เชื้อเหล่านี้นอกจากเชื้อแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมาคุกคามความสงบสุขของเราคืออารมณ์นี่แหละนะรูปรดกลิ่นเสียงมันไม่ได้บันทอนร่างกายแต่มันบันทอนจิตใจนะถ้าเราไม่มี ไม่มีสติรู้ทันนะเราก็โดนไอ้รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยพอมากระทบมันก็ไทยทำให้ใจกระเพื่อมเกิดความโกรธเกิดความเศร้ า, าเกิดความเสียใจเกิดความอาลัยอาวร์บางคนเศร้าเศร้าจนกลายเป็นโรคซึมเศร้านะชีวิตนี้ก็มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวทนอยู่ไม่ไหวทนไปนาน คนไม่ไหวก็ค่าตัวตายเนีย่ยนี่คนฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าเยอะมากเจะว่าเป็นเพราะคนเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่มีวิชานะในการรับมือกับความเศร้าเจอมันแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ทางมันในความเศร้าเนี่ยมันก็ปล่อยให้มันเข้ามาคลองใจคลองใจแล้วก็คลองไปนานๆเนี่ยมันก็ซึมแผ่ซ่านเหมือนเชื้อโรคนะจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัว ลืมตัวนะไม่เป็นผู้เป็นคนนะถ้าสุดท้ายก็เลยฆ่าตัวตายนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะได้อ่านอกจากมีวิชาเจเริญสติแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เจอได้ใช้วิชาเนี่ยในการรับมือกับอารมณ์ได้เจออารมณ์ต่างๆมากระทบนะเจออารมณ์มากระทบบ่อยๆแต่ถ้าเราและมีเรามีวิชาด้วยเนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ย อยู่ได้อย่างมีความสุขให้การที่เราเจออารมณ์มากกวทั่วบ่อยนี่มันก็มีข้อดีนะมันเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ได้เพิ่มพูนหรือว่าพัฒนาสตินะประสบการณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันแต่ละวันสะสมมาเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยจริงทุกอย่างลดมีประโยชน์นะมันสามารถจะให้บทเรียนกับเราได้ทั้งนั้น อยู่ที่ว่าเราจะใช้มันเป็นหรือเปล่าอส่วนใหญ่เราไม่รู้จักใช้มันนะปล่อยให้มันมาเล่นงานเรานะเจอความเศร้ากี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเศร้าเจอความหงุดหงิดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังหงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิดเร็วกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมเจอความโกรธกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งก็ยังโกรธเหมือนเดิมแล้วโกรธง่ายกว่าเดิมด้วยนะ ยิ่งอายุมากก็ยิ่งโกรธง่ายยิ่งหุนหิดง่ายเนี่ยเอ็มนี้ก็แปลกนะเพราะธรรมชาติของคนเราเนี่ยจริงๆธรรมชาติของสัตว์ด้วยเนี่ยพอมันเจออะไรเนี่ยเจอบ่อยๆเนี่ยนะมันรู้ทางนะีอย่างปลาเนี่ยถ้ามันเจอคนบ่อยๆเนี่ยนะแล้วถ้าคนที่ต้องการจะจับมันเนี่ยถ้ามันเจอบ่อยๆนี่นะมันจะรู้ทางนะว่าคนเนี่ยจะมาไม้ไหนนะพวก กวางพวกหมูป่าเนี่ยถ้ามันเจอคนบ่อยๆเนี่ยมันฉลาดขึ้นมันรู้ว่าคนเนี่ยจะมาใช้อะไรทำทร้ายมันมีอุบายอะไรบ้างบางตัวนี่มันมันไม่ยอมที่จะติดแล้วเลยนะมันรู้เลยนะไอ้ทางมันมีเวลามีทางอะไรที่มันสะดวกสะดวกทางเรียบๆเนี่ยนะมันรู้แล้วว่าอันเนี้ยมีแล้วมีกับดักอยู่ข้างหน้า เพราะว่าอมันเป็นฝีมือมนุษย์นะอาสา ท, ที่มันเจอคนบ่อยๆเนี่ยยิ่งเจอมันยิ่งฉลาดนะถ้ามันไม่ตายซะก่อ น, นมันจะฉลาดขึ้น ย, งงนนะยิงลิงเนี่ยนะโอ้ยิงลิงเนี่ยถ้ามันเจอคนบ่อยๆนี่มันฉลาดมากเลยที่ผู้หลงเนี่ยตะกอนเนี่ยสามารถจะจะหลอกลิงนะให้มาติด ก, กับดักได้นะมีชาวบ้านมาบวชที่วัดนะ แล้วก็ทําทําแล้วล่อให้ลิงมาติดกับแต่ว่าทําได้ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยสามารถดักลิงได้อีกเลยต่อหลังทํากรงให้มันทัท้งทั้งทำกรงจับมันเพราะมันป่วนมากเลยก็ติดนะแล้วก็มันหลุดออกไปได้และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่เคยมีลิงตัวไหนเนี่ยนะเข้ามาติดกับตักได้เลยหรือเข้ามา เข้ากรงที่ดักไว้ได้เลยคือประสบการณ์เนี่ยของมันเนี่ยนะเวลามันเจออะไรเนี่ยมันไม่้เจอเปล่าๆนะมันได้บทเรียนมันเรียนรู้มันฉลาดนะแต่คนเราก็แปลกนะเจอโลมากระทบบ่อยๆนะก็ยังขัดใจเหมือนเดิมยังหงุดหงิดเหมือนเดิมเดินทางในกรุงเทพเจอรถติดนะเจอไฟแดง วันหนึ่งไม่ลู้กี่ครั้งนะก็ยังพลาดท่าเสียทีงุดหงิด <c oughs> ลำคาญเหมือนเดิมนะนะแทนที่จะฉลาดเหมือนพวกลิงพวกนี้นะหรือพวกสัตว์ป่าเนี่ยมันเจออะไรเนี่ยนะมันจะพลาดท่าเสียทีแค่ครั้งสองครั้งถ้ามันหลุดรอดได้เนี่ยมันจะไม่พลาดอีกแต่คนเราเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าเราเป็นคนฉลาดเป็นสัตว์ประเสริฐนะฉลาดกว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ย ก็ยังหงุดหงิดก็ยังโมโหโก็ยังขุนเคืองใจเวลาเจออารมณ์เดิมๆ เ, เวลาเจอรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเดิมๆที่มันขัดเคืองใจเช่นไฟแดงเจอไฟแดงทีแล้วก็ยังหงุดหงิดเหมือนเดิมนะเจอคําด่าว่าบางทีก็เป็นคําเดิมๆก็ยังโมโหเหมือนเดิมนะอันนี้คือสิ่งภายนอกขดัดยกันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าวความ มดเหงิดความราคาญความเสียใ จ, ใจเกิดขึ้นทีไรใจแล้วก็ยังพลาดถ้าเสียทีเหมือนเดิมก็คือโ ด, โดยมาเล่นงานนะหายโกรธเสร็จแล้ว ก, ก็กลับไปโกรธใหม่หายโกรธพอเวลาผ่านไปความหายความโกรธ ม, มันเบาทางบรรทเบาบางลงพอเจอความโกรธใหม่ก็เสร็จอันอีกคล้ายๆกับคนที่มีสิบแปดมงกุฎที่มาคอยหลอกเรามาหลอกมาหลอกเราว่าเนี่ย พ่อแม่ไม่สบายนะรีบกลับบ้านด่วนพอเราเดินตามเข้าไปเขาก็เอาปืนจี้หรือเขาเอามีดจี้แล้วบอกเอาเงินมาเราก็ให้เงินเข้าไปแล้วเราก็กลับมาสองชั่วโมงต่อมาหรือวันต่อมาเข้ามาอีกบอกว่าแม่ไม่สบายป่วยนะรีบกลับไปบ้านด่วนเราก็เดินตามเข้าไปอีกพอถึงที่เปี่ยวเขาก็เอามีดจี้แล้วบอกเอาเงินมาเราให้เงินเข้าไปวันต่อมาเขาก็มาอีก แล้วก็เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็เสร็จเขาอีกนะมาหลอกเรากี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ยังพลาดท่าเสียที่เหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับพวกเราส่วนใหญ่เจอความโกรธกี่ครั้งกี่ครั้งเจอความเศร้ากี่ครั้งกี่ครั้งเจอความหงุดหงิดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนะโดยมันครอบงำเล่นงานเหมือนเดิมไม่สามารถที่จะรู้ทางนะ ไม่สามารถที่จะรู้ทันมันได้นี่เพราะอะไรนะเพราะาเราไม่รู้จักใช้สตินะไม่รู้จักพัฒนาสติขึ้นมางนั้นะถ้าเราใช้สติเนี่ยพัฒนาสติขึ้นมาเนี่ยสติไม่ทำให้เรารู้ทันอารมณ์พวกนี้นะยิ่งเกิดเกิดเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราฉลาดขึ้นทุกครั้งเราฉลาดกว่าเดิมทุกครั้งก็คือรู้ทันมันนะ จดจำมันได้ว่าอ๋อไอ้นี่นะคือผู้ร้ายพิชชาชีที่มาหลอกเราถูกมาหลอกได้สองสามครั้งคราวต่อไปมันหลอกไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจํามันได้นะเราจําเหมือนกับเด็กที่จําหน้าคนที่มาหลอกได้มาหลอกได้สองสครั้งก็จําได้พอมาอีกก็ไม่ยอมให้หลอกเหมือนคนที่มาชอบมาไถเงินมาอ้างว่าไม่มีเงินกินข้าวบ้างแล้วต่อมาก็มาอ้างว่า ไม่มีเงินเดินทางกลับบ้านมั่งแล้วพอเราเจอบ่อยๆเราก็แล้ว อ, อ, อ๋อหน้าเนี้ยหน้าเดินมั่แล้วก็ไม่ยอมให้หลอกต้องแบบนี้นะก็คือจําอารมณ์พวกนี้ได้อารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์เศร้าพอจําได้แล้วนี่นะ่ะ อ, อ๋อมันมาครั้งต่อไปหลอกเราไม่ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่จําจไม่ได้นะถูกความโกรธมาหลอกเนี่ยพาท่าเสียทีมาเป็นหมื่นครั้งแล้วก็ยังยอมให้มันหลอก จนกระทั่งเสียผู้เสียคนทุกครั้งอยู่ร่ำไปไม่ฉลาดเลยนะทำไมเราเป็นอย่างนั้นนะต้องหัดฉลาดใช่บ้างนะนะยิ่งเจอบ่อยๆนะี้ยิ่งต้องฉลาดกว่าเดิมนะแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นนะหรือว่าหลุดรอดจากมันได้และต่อไปนะถ้าฉลาดจริงนะยังสามารถใช้ประโยชน์จากมันด้วยนะ ใช้ความโกรธเนี่ยใช้ความเศร้าใช้อารมณ์อกุศลต่างๆเหล่านี้แหละให้เป็นเหมือนครูนะที่สอนให้เราเห็นสัจธรรมความจริงเห็นสัจธรรมแล้วเห็นว่ามันไม่จีรังยั่งยืนมันมาแล้วก็ไปเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะความจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเวลาโกรธเนี่ยเป็นเพราะความโง่ของเราความหลงของเราก็เลยคิดว่าเราโกรธที่จริงมันไม่ใช่เราเลย มันมไม่มีเราที่โกโรธเลยนะมันมีแค่ความโกโรธนะเวลาเศร้ามันก็ไม่มีเราเศร้ามีแต่ความเศร้าเกิดขึ้นแต่เพราะความโง่แท้ๆเนะี่ยถึงไปหลงคิดว่ามันเป็นเรานะเป็นของเรานะอันนี้เพราะว่าไม่มีไม่รู้จักนะสรุป บ, บทเรียนแต่ถ้าเรามีสติบ่อยๆเนะเราจะฉลาดขึ้นนอกจากจะไม่ถูกมันหลอกแล้วนะเรายังสามารถจะใช้มันนะ เพื่อทำให้เราฉลาดกว่าเดิมเกิดปัญญามากขึ้นจนสามารถจะอิสราจากความทุกข์ได้เอาค้่มเนี่พูดกันเท่านี้นะกลาะ